บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นตามปกติแล้วจะเน่นไปที่การเรียนธรรมะจากตัวของบุคคลแต่ละคนเองและจึงศึกษาหาความรู้ความเข้าใจจากภายนอกจนสามารถมอง ตนเองกับบุคคลอื่นในสภาพอย่างเดียวกันแต่บางครั้งก็เรียนมาจากบุคคลอื่นแต่ในสึกก็จะน้อมนําเข้ามาหาตัวเองดังนั้นจะเห็นว่าจะเรียนจากข้างนอกหรือข้างในก็ตามจุดมุ่งหมายสําคัญในการเรียนก็คือมุ่งจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองในต่างที่ดีขึ้นประณีตขึ้นอย่างรุทธดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดแก่ท่านปิงคิยะมานพ เมื่อกราบทูลถามปัญหาซึ่งได้กราบมาแล้วก็ได้รับได้รับสั่งว่าบุคคลผู้ประมาทจูย่อมเดือดร้อนเพราะรูปทั้งหลายดูก่อนปิงคิยะเมื่อเธอเห็นความลำบากของบุคคลทั้งหลายที่ลำบากอยู่เพราะรูปแล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจะทา ให้ไม่ต้องเกิดในโลกอีกต่อไปวันนี้จะเห็นว่าพระพุทธดำรัสในช่วงนี้สอนให้พระปิ่นิยะท่านมองภาพจากข้างนอกเห็นคนทั้งหลายที่เดือดร้อนอยู่ ร, รูปทั้งหลายและนำมาบทเป็นบทเรียนสอนตนโดยการแสดงทั้งช่วงเหตุและช่วงผลที่ต่อเนื่องกันไป ช่วงเหตุที่กอให้เกิดความเดือดร้อนนั้นคือความประมาทซึ่งก็หมายความว่าสราบใดที่บุคคลยังมัวเมาประมาทอยู่ความเดือดร้อนในรูปทั้งหลายก็จะไม่สงบระงับลงไปแต่ในทํานองจงกขะคำถ้าหากว่าบุคคลบรรเทาความประมาทลงไปได้ความเดือดร้อนในรูปทั้งหลายก็จะสงบระงับลง ความไร้ความประมาทนั้นโดยพื้นฐานก็เป็นสูตรหลักที่ปรากฏในชีวิตของบุคคลทั่วไปผู้ประมาทซึ่งถ้าหากว่ามีความรุนแรงก็ทรงแสดงว่าเป็นทางแห่งความตายลักษณะของความประมาทนั้นก็จะกร ะ, กระจายตัวเองออกไปเป็นสีสามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกเป็นเรื่องของความไม่รู้เท่าทัน แห่งคติธรรมดาของชีวิตก็ให้เกิดความประมาทในสมแนวทางด้วยกันคือความประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคซึ่งถือว่าเป็นความประมาทขนาดใหญ่ของบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะหลากหลายออกไปอย่างไรก็ตามในที่สุดก็มาจะสรุปรวมอยู่ที่ความประมาทในวัยในความไม่มีโรคและก็ในชีวิต ในวัยนั้นบุคคลเป็นอันมากมากกักจะถือว่าตนเองอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวยังมีเรียบแรงแข็งแรงจุกเราไม่เพียรพยายามที่จะละความชั่วประพฤติความดีหรือบำเพ็ญเพียรพัฒนาจิตใจของตอนเองโดยรอคอยเวลาที่จะมาถึงในการข้างหน้าถึงมักจะพูดว่าให้แก่ซะ ก, ก่อนจึงจะเข้าวัดวางธรรมำจำศีลเป็นตนที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านั้น ใช้การเวลาแห่งชีวิตของตนเองให้ผ่านพ้นไปโดยไม่เกิดสาระประโยชน์คุ้มค่าทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าวัยแห่งชีวิตนั้นวัยะที่จริงก็แปลว่เาเสื่อมแต่เป็นความเสื่อมในสองด้านด้วยกันความเสื่อมด้านแรกเป็นความเสื่อมในรูปของความเปลี่ยนแปลงที่มีความเจริญเติบโตขึ้น สุ่หมายถึงว่าเป็นความเสื่อมจากจุดเล็กๆเข้าไปหาจุดใหญ่แต่ก็คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสัตว์ในสังขารล่านั้นบางครั้งในช่วงนี้ทรงใช้คำว่าชราปิดคือความชรานั้นยังปกปิดอยู่คนจึงมักใช้คำว่าเจริญวัยแต่พอเมื่อชีวิตได้เลยกลางคนไปแล้วความชราก็จะปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเราเรียกว่าชราเปิด แต่จะเป็นยังไงก็ตามในแง่ของวัยแห่งชีวิตนั้นก็คือความเสื่อมที่พร้อมจะเกิดความแตกดับในแต่ละขณะทางการที่บุคคลมามัวเมาประมาทอยู่ในวัยถือว่ายังอยู่ในวัยหนุ่มวบยสาวเป็นต้นชื่อว่าเป็นการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทปเ็นแง่ของความจริงแห่งชีวิตแล้วไม่เป็นการแน่นอนเสมอไปว่าเราจะได้อยู่ในโลกนี้จนถึงวัยที่จะต้องเข้าวัดพังธรรมจาศีล อย่างที่เข้าใจกันประการต่อไปก็คือเรื่องของชีวิตที่ทรงสอนว่าชีวิต น, นี้ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีการกําหนดลงไปแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไรความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ของชีวิตนั้นบางช่วงก็สั้นบางช่วงก็ยาวและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความแตกตัดของชีวิตใครก็กําหนดไม่ได้ แ, แม้แต่ความพิกลพิการก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้อย่างที่พระจักคุบาลท่านในแสดงเหตุผลตอนที่ท่านสละทรัพย์สมบัติเป็นอันมากออกบวชแต่ชี้แจงให้น้องชายทั้งเกิดความเข้าใจน้องชายทั้งขอร้องว่าพี่จะบวชก็ไม่ว่าหอกแต่ขอให้บวชตอนแก่ๆตอนนี้ก็บริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติหาความสนุกสบายไปก่อนพระจักคุบาล น, นั้นท่านเข้าใจกติแห่งชีวิตท่านบอกว่า คนรอเวลาแก่นั้นแม้มือเท้าวัยวะของตัวเองก็ยังไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้และจะประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติความดีให้บริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไรในที่สุดตั้งก็ตัดสินใจออกปดูดครนี้จะเห็นว่าเป็นการไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตพยายามฉกฉวยโอกาสที่มาถึงเข้าซึ่งบางครั้งเวลาพูดโดยละเอียดจะทรงใช้เป็นขณะ ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะการวิจัยตัดสินความสุขความทุกข์ความดีความชั่วของบุคคลในรายละเอียดจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของขนาดไม่ใช่เป็นเรื่องของการระยะเวลาที่ยาวนานอะไรเช่นการตัดสินใจทำผิดก็เป็นการเกิดขึ้นเพียงช่วงขณะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความผิดจะมีผลกระทบอย่างต่อนเนื่องและยาวนานซึ่งบุคคลจะต้องรับผลเป็นความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้า กร น, นี้แต่เรามองถึงการประกอบกรรมที่เป็นอกุศลต่างๆเช่นว่าการฆ่าการปล้นกันเป็นต้นนั้นไม่ได้ใช้เวลาเป็นหลายๆชั่วโมงแต่แท้จริงใช้เวลาเป็นนาทีหรือบางทีเป็นเพียงนาทีสองนาทีก็ทํากรรมที่เป็นบาปสหัสสาการได้แล้วพหลังจากนั้นก็เป็นผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะต้องรับด้วยตัวของตัวเองดังนั้นเวลาสอนในชั้นละเอียดจึงเด่นไปที่การเวลา พยายามให้บุคคลควบคุมในแต่ละขณะของความคิดให้ดำรงอยู่ในคันลองแห่งสุจริต ธ, ธรรมโดยการข่มจิตโดยการห้ามจิตโดยการส้ำรวมระวังจิตโดยการฝึกจิตของตนเป็นต้นี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติระดับที่เราเรียกว่ากรรมฐานแต่ในระดับของศีลนั้ น, นระยะเวลาจะยาวออกไปแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ายาวมากๆเพราะแท้จริงการละเมิดศีลก็เกิดขึ้นได้เพียงชั่วขณะเหมือนกัน แต่นั้นจึงทรงสอนให้ระมัดระวังในลักษณะที่ต่อเนื่องในแนวของการประคับประคองหรือทรงยกอุปมาเห็นว่าให้ประคับประคองเหมือนกับจามรีรักษาขนทางหรือนกต้อยชิวิต ร, รักษาฟองไข่เพนนี้ท่านเล่าว่าจามรีซึ่งเป็นสัตว์ที่มีขนหางงดงามมากนั้น เวลาแกจะเดินไปในที่ใดหรือแม้จ่วิ่งหนีอันตรายก็ตามถ้าหากว่าหางแกไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะหยุดค่อยๆแกะหางออกมาจากสิ่งที่เกี่ยวแม้ว่าสัตว์ร้ายซึ่งเป็นศัตรูกับตนจะวิ่งมาใกล้แล้วก็ตามก็ยอมเสียสละชีวิตของตนเองไม่ยอมทำลายหางของตนนี่แสดงเห็นว่าแม้ในชั้นศีลก็ทรงสอนให้ระมัดระวังอย่างต่อนเนื่องเพราะเพราะอะไรเพราะว่า ไอช่วงสาคัญของเจตนาคือความคิดที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นแม้ในช่วงที่จะทําการละ ก, กิยาทึ้งทรงแสดงว่าคนที่ทําบาปจะมีจิตเศร้าหมองตายแล้วก็จะบังเกิดในทุกติคนที่ทําบุญก็จะมีจิตผ่องแผ้วตายแล้วจะไปบังเกิดในสุกติแต่ถ้ามองในรายละเอียดการกําหนดเป็นสุกติเป็นทุกติคือการบังเกิดในที่ไม่ดีและที่ดีของบุคคลนั้นเป็นเรื่องของขานาะดความคิด ที่ท่านใชค้คำบาลีคำหนึ่งว่าอาสันนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะดับจิตปัญหาสําคัญว่าในขณะที่จะดับจิตนั้นกรมอะไรปรากฏขึ้นบางครั้งบางคราวคนเราทําความดีมาเป็นนันมากแต่ในขณะนั้นจิตเกิดเศร้าหมองขึ้นมาและเป็นเหนี่ยวอารมณ์ที่เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองอาจจะตายไปเกิดในทุกขติก่อนก็ได้ทานองเดียวกับบุคคลที่เดินทางหรือขับรถไปในหนทางรู้เส้นทางมาตลอดขับมาได้ทั้งหลายร้อยกิโล แต่บทจะเลี้ยวเกิดเลี้ยวผิดขึ้นมามันก็หลงทางไปได้เป็นเวลานานสาบเท่าที่เขายังเข้าใจว่าทางที่เขาเดินนั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องเขาก็ต้องหลงอยู่ร่ำไปแต่นั้นในช่วงของความคิดที่ก่อนจะดับจิตจึงท่านจึงแสดงไว้ในคำพีพระพิธรรมว่ามันจะมีกรรมอารมอารมณ์คือกรรมปรากฏขึ้นในวิธีจิต้ำให้บุคคลเห็นการกระทำของตนเอง จะเป็นดีหรือไม่ดีก็ตามก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมอะไรจะปรากฏในขณะนั้นและจจกเป็นกรรมมนิมิตตารมคือกรรมนั้นจะเป็นจุดยึดเหนี่ยวของจิตใจถ้ากรรมเป็นกุศลปรากฏก็ทําให้บุคคลเห็นสถานที่ที่ตนจะไปเกิดในทางที่ดีงามถ้ากรรมไม่ดีปรากฏก็จะเห็นคติที่ตนจะไปเกิดในทางที่ถ้าเห็นกรรมที่ดีๆก็จะเห็นคติที่ดีๆแต่เห็นกรรมไม่ดีก็จะเห็นคติที่ไม่ดี ที่ท่านเรียกว่าเป็นคตินิมิตตามลมการบังเกิดก็จะไป บ, บังเกิดตามสมควรแก่กรรมซึ่งปรากฏในขณะนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงของขณะความคิดเพียงวูบหนึ่งเพียงขณะหนึ่งเท่านั้นเองบางครั้งเป็นวูบหนึ่งจริงๆอย่างเช่นท่านเล่าถึงเรื่องของมตะตะกุนตลีเทพบุตรที่ทำใจของตอนเองให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพียงช่วขณะพอพระพุทธเจ้าเสด็จเลยไปรับสายตาของท่านท่านก็ดับจิต แต่เป็นการดับจิตด้วยความศรัทธาเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าชีวิตในอดีตของท่านที่ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอะไรไว้แต่ว่าช่วงขณะจะดับจิตเกิดมีกุศลจิตขึ้นมาก็บังเกิดในสุคติได้ดังนั้นธรรมปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของแต่ละขณะทุกขั้นตอนไม่ใช่ว่าเจาะจงเฉพาะในชั้นละเอียดคือความประนีตในด้านจิตใจตามระดับสมถกรรมฐานดุวิปัสสนากรรมฐานแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่จะ ต้องระมัดระวังในแต่ละขณะเสมอเหมือนกันเพราะว่าเป็นการกําหนดเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นทุกขติเป็นสุกติให้แก่บุคคลตลอดถึงเป็นพรหมโลกหรือแม้แต่การบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นระยะบุคคลในชั้นใดชั้นหนึ่งการบรรลุเป็นพระระยบุคคลนั้นที่จริงเพียงชั่วขณะเป็นชั่วขณะเหมือนกับการเปิดสวิตไฟแล้วก็สว่างขึ้นมาแต่นั้นเองถ้าเราจะนับเป็นนาทีก็คงจะไม่เกินหนึ่งนาที ก็จะแปลงสถานะของปุถุชนให้เป็นพระยะบุคคลได้แล้วเพราะธรรมะในทางพระพุทธศาสนาบางครั้งเราเรียกว่าคณิกะวาทะคือพระเจ้าทรงรับสั่งเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะในการกำหนดในแต่ละขณะนี้เองในชั้นทั่วๆไปจึงสามารถจำแนกแบ่งแยกคนเวลาจะยกย่องสรรเสริญคนหรือจะตำหนิคนก็ไปมองในแต่ละขณะของการกระทาของบุคคลเหล่านั้น ในช่วงที่ทำดีเราก็ยกย่องในช่วงที่ทำไม่ดีก็ตำหนิตีเตียนตามสมควรแก่การกระทำซึ่งเป็นหลักของการบริหารบุคคลอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทำที่ควรแก่การยกย่องซึ่งแสดงว่าการทำดีและทำไม่ดีของบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะข้อนี้จะมีตัวอย่างที่ประสาริบุตร ได้ไปกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศขับพระเทวทัตไม่ยอมรับการกระทาของพระเทวทัตที่เรียกว่าประกาศนิกรรมคือพระเทวทัตจะทำดีหรือทำไม่ดีอะไรก็ตามข้าน้าสงไม่รับผิดชอบภาษารีบุตรนั้นได้มากราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าต่อไปนั้นท่านจะประกาศความผิดของพระเทวทัต แต่เมื่อก่อนนั้นท่านเคยกล่าวยกย่องพระเทวทัตไว้ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแล้วจะทําอย่างไรก็รเคยยกย่องเขามาต่อไปจะต้องตําหนิเขาพระพุทธเจ้าก็รับสังว่าเป็นการถูกต้องแล้วเมื่อตอนที่เธอยกย่องพราะเทวทัตทำกรรมที่ควรยกย่องเวลานี้เทวทัตทำกรรมที่ควรตําหนิเธอก็ตําหนิตามสีควรแก่กรรมซึ่งเป็นการถูกต้องด้วยการทั้งสองฝ่ายไม่เป็นการสับปรับหรือปรับคําแต่ประกาศใด นี่เป็นการแสดงเห็นว่าเรื่องของความประมาทหรือความไม่ประมาทจึงเป็นเรื่องของแต่ละขณะแต่ขณะของชีวิตนั้นจะเห็นว่ามีการหักเคหชีวิตมีการเบี่ยงเบนของชีวิตเกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอทําให้คนบางคนมีความรู้สึกจนกลายเป็นความฝังใจประการหนึ่งและเรายอมรับเป็นรูปของใกล้ๆคําพังเพยที่จะเป็นคําสุภาษิตกระตามหรือใช้คําว่าร้อยดีพันดีชั่วนหนึ่งทีพาดีไม่ได้ พาดีไม่รอดท่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะประคับประคองตนเองมาดีตลอดแต่วพอถึงช่วงหนึ่งเกิดประมาทขึ้นบางก็อาจจะเข็ชีวิตออกไปให้มีความตกต่ำด้วยอำนาจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็ได้ดังนั้นในแง่ของสังสารวัฏที่มีการพูดถึงสุคติคือคติที่ดีและทุกขติคือกติที่เป็นดีนั้น ไอ้ทรงจะแนกแบ่งแยกวิถีชีวิตของบุคคลออกเป็นสี่สายซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของแต่ละขณะอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลกระทำอกุศลกรรมบทคือมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นตายแล้วไปเกิดในทุกขติก็มีแล้วทรงแสดงว่าการไปบังเกิดในทุกขติของบุคคลผู้นั้นอาจจะเป็นเพราะอดีตกรรมตามมาทัน อาจจะเป็นเพราะกรรมในปัจจุบันตามมาทันอาจจะเพราะขณะจะดับจิตจิตใจเขาของเขาเศร้าหมองก็ได้หรือเป็นมิจฉาทิฐิขึ้นในขณะนั้นก็ได้สแสดงให้เห็นว่ากรรมที่กำหนดเป็นสุคติทุคติแก่บุคคล น, นั้นมีทั้งสามช่วงด้วยกันอาจจะเป็นอดีตกรรมที่ตามมาจากชาติก่อนอาจจะเป็นกรรมที่ทําในชาติปัจจุบันหรืออาจจะเป็นความเศร้าหมองขุดหมวกของจิตที่เกิดขึ้นก่อนจะดับจิตก็ได้ แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าคนจะบังเกิดในทุ ก, กติก็เพราะขนแห่งบาปกรรมประการที่สองทรงแสดงว่าคนที่ปฏิบัติในอกุศลกรรมบดคือมีการฆ่าสัตว์เป็นต้นเช่นเดียวกันตายแล้วไปบังเกิดในสุ ก, กติก็มีซึ่งแสดงเห็นว่าคล้ายๆจะมีความขัดแย้งกัน แต่แท้จริงแล้วการบังเกิดในสุคติของบุคคลผู้นั้นทรงแสดงว่าอาจจะเกิดด้วยอํานาจของกุศลกรรมในอนดีตคือในชาติปังก่อนของเขาหรือว่าจิตใจของเขาเกิดเป็นสัมมาทิฐิขึ้นก่อนจะดับจิตคือจิตผองแผ้วขึ้นในขณะนั้นแล้วก็บังเกิดในสุคติก็ได้กรรมที่เขาทาในชาตินั้นก็ต้องยกยอดไปให้ผลในภพชาติต่อไปหรือคนที่ปฏิบัติ ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ใ น, นกุศลกรรบดคือระดับกุศลกรรบดตรคำว่าสมบูรณ์ใ น, นกุศลกรรบดก็พูดระดับกุศลกรรบดพระตาควาสมบูรณ์จริงๆแล้วจะพบว่าตัวมโนสุจริตที่สมบูรณ์นั้นก็ทําให้บุคคลเป็นพระยะ บ, บุคคลระดับสูงสุดได้เพราะสิงเหล่านั้นก็คือความโลภโกรธความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลาดับจนถึงก็หมดสิน้นพวกบรรดาความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงจากจิตใจที่เรียกว่า อดอาสวะกิเลสภายในใจดังนั้นคำว่าสมบูรณ์ในที่นี้จึงหมายเฉพาะสมบูรณ์ระดับกุศลกรรมบุตรกระทรงแสดงว่าตายไปแล้วไปบังเกิดในทุ ก, กติก็มีคือบังเกิดในนรกก็มีอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันการบังเกิดในทุ ก, กตินั้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะอกุศลละรามในอดีตมาให้ผลก็ได้หรืออาจจะเกิดความขุนมัวเศร้าหมองใจขึ้นมาก่อนจะดับจิตก็ได้แต่กุศลรกรรมที่ก็ทําในชาตินั้นๆก็ต้องยกยอดไปให้ผลอีกต่อไป กุศลประเภทที่สี่นั้นประพฤติปฏิบัติให้สมบูรณ์ในระดับกุศลกำหนดดังกล่าวแล้วตายแล้วไปเกิดในสุคติก็ได้ปัญหาการบังเกิดในสุคติจึงอาจจะเป็นอดีตกรรมที่เป็นกุศลก็ได้กรรมในชาตินั้นก็ได้หรือกรรมที่เกิดขึ้นก่อนจะดับจิตก็ได้ที่เป็นการแสดงเห็นว่าเป็นเรื่องของขณะความคิดไม่ใช่เป็นช่วงยาวๆอะไรแต่เป็นเรื่องของแต่ละขณะเท่านั้นเพรา ะ, ะชีวิตจึงเกิดขึ้นในแต่ละขณะ แล้วก็มีความดับไปในแต่ละขณะที่กรรมฐานหลักใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเน้นไปที่อนาปานสตินั้นจะเห็นว่าในช่วงแรกเป็นการศึกษาให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปลมลมจะเริ่มละเอียดอ่อนเข้าก็ทรงสอนในรู ก, กองลมคือที่เกิดหรือที่ดับของลมให้ดูที่จุดที่เกิดและที่ดับของลม ในที่สุดก็ให้ดูที่ความดับไปของลมคือความสงบระงับของลมโดยตั้งสติระลึกอยู่ในจุดที่ลมเคยกระทบเพราะว่าในขณะนั้นลมไม่กระทบแต่อย่างนั้นเมื่อพอถึงจุดหนึ่งพอใจสงบก็ทรงสอนให้ดูความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความเปลี่ยนแปลงของลมแล้วมาดูไปดูไปเห็นได้ทั้งสามช่วงคือลมเกิดขึ้นลมตั้งอยู่และลมดับไป ทั้งช่วงที่ลมหายใจเข้าไปและช่วงที่ลมหายใจออกมาจากนั้นก็จะดูเฉพาะช่วงเกิดกับช่วงดับไม่ได้ดูช่วงที่เสื่อมไปและในที่สุดก็จะเห็นช่วงดับคือดูเฉพาะดับเท่านั้นแสดงว่าก็ดับอยู่ตลอดระยะเวลาแม้แต่ที่เราเรียกว่าตั้งอยู่ที่จริงตั้งอยู่ท่ามกลางความดับจะเกิดขึ้นก็เป็นความดับในอีกขณะหนึ่งก็ทํานองคล้ายๆกับน้ําไหล ดูแล้วคล้ายๆกับแกไหลแต่แท้จริงแกก็ดับในจุดที่แกสัมผัสมาก่อนก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปโดยลำดับจนในที่สุดก็ยกอนลมนั่นเองพิจารณาให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์จนมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วลมหายใจนั้นเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยจสามารถถ่ายถอนความกาหนัดความยึดติดแม้นในลมหายใจออกไป นี้ก็ต้องการจะให้เรียนถึงส่วนหนึ่งของชีวิตว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นกับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองหายใจเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายเพราะนั้นขึ้นอยู่กับขณะของลมหายใจแต่ดาบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ส่งสอนให้หาประโยชน์จากลมหายใจในช่วงของกรรมฐานแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งสอนให้หาหาประโยชน์จากความมีชีวิตทั้งชีวิตในแต่และช่วงของการ ประพฤติปฏิบัติธรรมะจะเป็นระดับทานระดับศีลรระดับภาวนาก็ตามเพื่อให้บุคคลไม่มัวหมองประมาทในชีวิตของตนเองพยายามเสริมค่าของชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในศาสตร์สวรรคแห่งประธรรมบทในวักนี้จะพูดถึงเรื่องขณะของชีวิตเป็นประการสาคัญ แต่ ว, ว่าองธรรมานั้นจะใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนฟังในเรื่องนั้นๆอยในกรณีของความประมาทหรือความไม่ประมาทเนี่ยไอ้ทรงแสดงว่าบุคคลแม้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวเมาประมาทแล้วก็สู้คนมีชีวิตสู้คนไม่ประมาทที่มีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวก็ไม่ได้คก็นี้จะเห็นว่าคนหนึ่งอยู่ตั้งร้อยปี แต่ประมาทคนหนึ่งเกิดขึ้นมาวันเดียวแต่ไม่ประมาทคนที่มีชีวิตอยู่ในวันเดียวเท่านั้นเองประเสริฐมากกว่าจะเป็นการแสดงเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ค่อยให้ความสำคัญของเรื่องอายุยืนเท่าไรแต่ให้ความสำคัญแก่การประพฤติปฏิบัติตนในแต่ละขณะว่าเป็นผู้ประมาทหรือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในประการต่อไปก็เรื่องของประมาทในความเป็นผู้ไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเปลียป่ยนแต่ก็ยังมัวเมาประมาทอยู่ยังปล่อยประละเลย อ, อยู่หรือว่าไม่ใส่ใจที่จะบําบัดโรคที่บังเกิดขึ้นปล่อยโรคเหล่านั้นเรื้อรังในที่สุดก็จะเป็นอันตรายแก่ตนนี่ถือว่าเป็นความประมาทในขั้นพื้นฐานทําให้บุคคลใช้การเวลาของตนเองไปในเรื่องที่ไร้สาระมากยิ่งขึ้นแต่นที่จะเสริมคุณค่าของชีวิตคุณค่าของชีวิตก็เริ่มน้อยลงไปลงไปโดยลําดับ เพาชีวิตนั้นเป็นการเดินทางนานข้าวนั้นข้า ว, าวเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะแล้วก็อย่างที่ทราบกันแล้วว่าคนเราไม่ได้ตายในช่วงที่แก่เสมอไปก็ตายเมื่อไหรก็ได้แต่นั้นจึงเน้นไปที่ความไม่ประมาทซึ่งเป็นหลักเป็นหัวใจเฉพาะที่จะกล่าวในที่นี้ก็คือเรื่องประสงค์แสดงในชั้นสูงสุดสังเกตว่าเมื่อปรสงสแสดงชั้นสูงสุดก็มุ่งในการขัดกลาวจิตใจ ย่งการปฏิบัติในระดับของกรรมฐานนั้นเราจะจับในส่วนของความไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทําความเห็นให้ถูกก็ได้ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นหัวใจของธรรมะแล้วธรรมะทั้งหลายในส่วนคือธรรมะนั้นแบ่งออกเป็นสองชั้นท่นเรียกว่าสังขตธรรมคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งกับอสังขตธรรมธรรมที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งเพราะในสุดยอดของธรรมเหล่านี้ที่รวมของธรรมเหล่านี้จึงแตกต่างกัน ธรรที่ปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นธรรมะส่วนใหญ่เขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งว่าโล ก, กิยธรรมคือธรรมะระดับโลกแต่เรียกระดับสังสารวัฏเขาเรียกวัตถามีกุศลคือความดีที่ทําให้บุคคลหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแต่มีภพชาติที่ปรนิทขึ้นไปนั้นมีความไม่ประมาทเป็นมูลคือเป็นที่รวมลงของความไม่ประมาทบ้างมีสัมมาทิฏฐิเป็นมูลรวมลงที่สัมมาทิฏฐิบ้าง ถึงว่าที่จริงความไม่ประมาทนั้นก็คือเรื่องของสติที่สมบูรณ์ความสัมมาทิฏฐินั้นก็คือเรื่องของปัญญาแต่ปัญญากับสติอย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นธรรมะที่พูดถึงหรือไม่พูดถึงก็เหมือนกับพูดถึงเพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะที่ต่อเนื่องกันดัง ก, การจะยกอะไรขึ้นมาเป็นฐานสําคัญในธรรมะเหล่านั้นก็ได้จะยกความไม่ประมาทขึ้นมาก็ได้หรือจะยกสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็ได้ แต่สรุปแล้วก็คือการพูดถึงเรื่องเดียวกันต่างกันก็เฉพาะแต่โวหารในการสื่อความหมายเกิดความเข้าใจของบุคคลเท่านั้นนั้นในการปฏิบัติด้วยความไม่ประมาททีเรียวกว่ามุ่งขัดเกลีจิตใจมุ่งให้จิตใจของตนมีความสงบในระดับของกรรมฐานโดยกรรมฐานนั้นจะพบว่าประการสําคัญก็คือสงบกิเลสได้ ส่วนรูปแบบนั้นก็คือรูปแบบที่เป็นปัจจัยสนับสนุนปัจจัยเหล่านั้นอาจจะให้เกิดความสงบก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่เกิดความสงบก็ได้เพราะเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวหลักจริงๆก็คือการที่จิตผ่อนคลายลดละบรรเทาความรู้สึกด้วยแรงผลักดันของกิเลสนั่นก็คือ การผ่อนคลายความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายลงไปความกำหนัดพูดง่ายๆก็คือความโลภนั่นเองหมายความว่าการการกำหนดรูปเสีสยงไปร้องกลิน่นหอมรสอร่อยสัมผัสหน้าจับต้องแล้วก็สายไปในความคิดต่างๆอาจจะสายไปในอดีตก็ได้สายไปในอนาคตก็ได้เพลิดเพลินเริงหลงอยู่ในปัจจุบันก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรแต่หมายความว่าในกรณีที่ใจเป็นเหนียวนึกอารมณ์อะไรก็ตาม กิเลสเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นการเหนียวนึกด้วยความประมาทแต่ถ้าเหนียวนึกแล้วกิเลสลดลงแม้ในวัตถุนั้นในบุคคลนั้นในสิ่งนั้นก็ชื่อว่าเป็นการเหนียวนึกด้วยความไม่ประมาทต่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ า, ส, าสัมมาสังกัปปะกับวิจาสังกัปปะที่เป็นองค์มรรคข้อที่สองเนี่ยเรยสัมมามรรคคือความดําริทางชอบกับวิชฉามรรคคือทางผิดเนี่ย ก็าทรงแสดงไว้ทั้งสองสายสายหนึ่งเรียกว่ามิจฉาสังกปะคือความคิดผิดคิดผิดก็คิดด้วยความอยากได้ในสิ่งต่างๆเพราะนั้นก็ถือว่าคิดผิดเมื่อคิดผิดก็เป็นเรื่องของอกุศลละธรรมเป็นการปฏิบัติที่ผิดแต่ถ้าหากว่าคิดแล้วมันผ่อนคลายความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจะลดลงมากหรือน้อยก็ตามเพราะแท้จริงการลดนั้นไม่ได้เล็งผลเลิศว่าจะ ตำหนองที่เขาพูดกันในปัจจุบันเราเปิดปุ๊บติดปับ๊บอะไรตํานองนั้นแต่เป็นเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆขัดเกลาวไปเรื่อยๆมันจางๆลงไปบ้างความโลภ ก, กดน้อยลงแต่แม้แต่พฤติกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงเช่นสมมุติว่าคนถูกความโลภความหลงครอบงาจิตใจอย่างแรงจนถึงกับไปปล้นไปจี้คนเนี่นิ่งจะหยุดรวดเดียวโดยไม่ไปแต่ต้องทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นก็คงไม่ได้เราเพจิตใจก็ะยาบมาก แต่ถ้าแกลดลงเพียงหยิบฉวยธรรมดาไม่ถึงพร่นจีก้ก็แสดงว่าความโลคแกก็ลดลงไปแในสุดก็ลดลงมาโดยลำดับจนถึงลูกเลิกหยิบฉวยของของบุคคลอื่นจะหยิบจะยืมก็ขออนุญาตบุคคลอื่นเป็นต้นก็แสดงความโลคแกก็ลดลงไปแต่เทียบกับสมัยแกปร้นแกก็ดีกว่าสมัยแกปร้นนั่นก็หมายถึงว่ามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนั่นเองแต่ว่าในขั้นของผู้ที่เป็นสมาธิธอยู่แล้วปฏิบัติดำเนินอยู่แล้วนั้น เพียงแต่เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางเจือจางของความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายความเจือจางของความขัดเคืองในอารมณ์ทั้งหลายความเจือจางแห่งความรุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายเร่องความมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นมีความประมาทมีความเปื้อเรือมีความหลงลืมลดลงก็ถือว่าเป็นการอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วแต่ในตํานองตรงกันข้ามตาปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นไหลบ่าเข้ามาท่วมทับจิตใจ บางครั้งสงใช้คำว่าท่วมทับแต่ก็เรียกชื่อพวกกลุ่มกิเลสนี่ว่าโอคะที่แปลว่าดุดพวกน้ำคือท่วมทับใจก็ชื่อว่าเป็นการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทซึ่งจะต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดการยาวนานอย่างที่ทรงแสดงเอาไวแ้แต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบ ต, ต่อไป